ทุกวันใ้่าเจ้าจว่าเช้ากว่าเช้านะเจ็ดนาฬกานะเพิ่งเจ็ดนาฬกาหนึ่งนาะทีเองชั้นจึงหันละล ง, ลงมือลงมือฉันละตามไปจริงมันสว่างตั้งแต่ตีห้านะตีห้ามันเริ่มสว่างลนะเป็นวันใหม่เดือนมิถุนาเนะี่ยกางวันมากกว่ากลางคืนถ้าหน้าหนาวกลางคืนมากกว่ากลางวันแต่ช่วงนี้กลางวันมากกว่าเพียงเจ็ดนาฬกานะลงมือชั้นจึงันละ เป็นหน้าหนาวเจ็นาฬิกากำลังไปบินธบาติเจดนาฬิกาสิบห้านาทีต่างหากเวลาบินธบาติเพราะมันหกโมงก็ยังไม่สว่างตินฟ้าอากาศโลกพระติพัชจรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอียงซ้ายเอียงขวาขนาดโลกใบใหญ่ขนาดนี้ก็ยังเอียงเหมือนกันนะเพราะนั้นหัวใจของมนุษย์จะไม่ให้มันเอียงก็อยู่ไม่ได้มันหนักไปทางไหนมันเอียงไปทางนั้นบางทีก็ เ, เอียงไปทางโลก บางทีก็เอียงไปทางโกรธบางเอียงบางทีก็เอียงไปทางรักทางรักทางชังทางเกลียดทางโกรธมนลุมมาตุ่มเขามันเอียงหัวใจของมนุษย์มันหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เรียกว่าโลกอนิจจงโลกนอกโลกในเป็นโลกอนิจจงโลกทุกขขังโลกอนัตตาแต่ด้วยมากพวกเราท่านทั้งหลายจะไม่ปฏิเสธว่าโลกอนัตตา มีแต่พระพุทธเจ้าพระหรัสนสาวกปฏิเสธโลกอนัตตาพวกเรามีจะเอามันเอามันเอามันมแข่งมันสู้กับมันเอากับมันแ ส, สวงหาเข้ามาใส่เอาให้มากที่สุดนผะลที่สุดก็แบ่มือทุกคนแบ่มือทุกคนแบ่มือทําไมแบ่มือเขาลดน้ําศพนะไม่มีอะไรไปด้วยสักอย่าง ขนาดน้ําอยู่ในมือก็ยังไม่ติดมือไปอีกโลกลนี้ถ้าพิจารณาดูให้ดีตลอดรอดฟังแล้วโลบโกรธก็ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรมากมายนักหนาโลกก็ไม่รู้จะโลบไปทําไมโกรธให้ใครก็ไม่รู้จะโกรธไปเพื่ออะไรหลงก็ไม่รู้จะหลงไปหลงรักหลงชังหลงในวัฏฏะสงสารก็ไม่รู้หลงไปเพื่ออะไรอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างมา ต่างคนก็ต่างถึงจุดจบจุดจบของใครของเราใครจะว่าดีว่าเดขนาดไหนก็เถอะใครจะว่ารักจะรักษาสุขภาพดีขนาดไหนก็เถอะใครจะว่ายาดีขนาดไหนก็เถอะผลที่สุดก็จอดด้วยกันทุกคนไม่ว่าแต่หมอธรรมดาศาสตราจารย์หมอก็ยังเอาตัวไม่รอดเกิดมาแล้วก็เกิดแกเจ็บตายเพราะพระ เ, เจ้าท่านเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มีเดช เหเหินเดินฟ้าได้สยามภูรู้แจงโลกพระพุทธเจ้าก็แพ้ต่อขันธมารเหมือนกันแต่กิเลสสมานของพระพุทธเจ้าชนะได้แต่ขันธมารมานของขันมาลุกวนพระพุทธองค์ก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันต้องละขันในเมื่อถึงจุดจบของชีวิตแล้วมันเสมอกันหมดเลยท่านจะสูงทรงขนาดไหนยศถาบรรดาศัก์ขนาดไหนชาวไล่ชาวนาตำรวจทหาร ต่างก็วางเครื่องแบบต่างก็วางวิชาอาชีพปะกงปากกาแอกคันไถทิ้งไว้หมดมีแต่ไปตัวเปล่าผลที่สุดก็เน่าเฟะลงเป็นสู่แผ่นดินถ้าไม่เผาไม่ฝังไปแต่ดวงวิญญาณคือใจออกจากร่างเสมอภาคกันใครทำบุญทำบาปถ้าว่าอยู่ในเมืองมนุษย์โลกถึงจะมียศสูงขนาดไหน แต่ถ้าทำตำกรรมชั่วอาจจะตกตาไปกว่าผู้ที่ทำกรรมดีแต่เป็นคนในชาตินี้ตาต้อยแต่ว่าใจสูงวันนั้นะเป็นวันที่คะแนนใครได้มากกว่ากันเหมือนกับเราไปสอบขึ้นชั้นอย่างนั้นนะสอบขึ้นชั้นปริญญาตรีโทเอกหรือมัธยปมปฐมอะไรก็ตามคือไปสอบอย่างนั้นไม่ได้เลือกว่าลูกตระกูลไหนสูงสงขนาดไหน เขาวัดความรู้เท่านั้นะว่าใครมีความรู้มากกว่ากันบางทีเพอเพอพวกสลัมอาจจะสูงกว่าลูกของรัฐมนตรีก็ได้เพราะความรู้เขาเข้าใจมากกว่าคะแนนเขาดีกว่านี้ก็เหมือนกันถ้าว่าใครทําบุญทํากุศลก็ลักษณะนั้น่ะวันถึงจุดจบแล้วก็ใครทําดีทาชั่วมากกว่ากัน แต่บางคนก็เมื่อมีโอกาสได้เป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยโชคดีในชาตินี้ก็พยายามสั่งสมคุณงามความดีตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนนั้นกลับไปได้สูงได้สูงได้ไกลแต่ถ้าว่าผู้ใดเกิดมาแล้วโชคดีแล้วชาตินี้แต่เอาความโชคดีในชาตินี้กลับไปทำความชั่วชา้าเสียหายมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นกี่มีแต่ดื่มเหล้า รบายยมุกทุกอย่างหาความสนุกสนานในการเป็นอยู่อีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบมาแล้วก็ตกต่าแต่ผู้ตกต่ำมาแล้วก็ยิ่งไม่ขนขวายในชาตินี้ก็ยิ่งตกต่ำไปเรื่อยอีกแต่ถ้าว่าตัวเองตกต่ำในชาตินี้มเมื่อได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตะเกียก ต, ตะกายไปยาวฝึกขัด บ่มนิสัยของตนเองสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจสิ่งไหนชั่วไม่ทำทําแต่สิ่งที่ดีถึงจะทุกข์ยากลำบากเอาหมดเวทในสิ่งที่ชั่วจะไม่ทำอีกอันนี้จิตใจของเขาก็สูงส่งขึ้นเมื่อไปสอบเข้าไปเมื่อถึงจุดจบไปสอบเข้าไปก็ติดชั้นติดภูมิมีต่งมากมายในครั้งพุทธกาลสรุปแล้วก็คือ พวกที่เกิดมาทุกยากลําบากเกิดมาจากฉลําเกิดไปเป็นเป็นพระเริยบบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาอรหันมากต่อมากแต่ผู้ที่โชคดีแล้วเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็ได้เป็นพระรอรหันมากต่อมากแต่ถ้าว่าผู้โชคดีแล้วเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทํากรรมชั่วตกนรกก็ไม่น้อยเหมือนกันสรุปแล้วก็คืออย่าทำกรรมชั่วให้ทําแต่กรรมดี กรรมดีจะพาพวกเราไปสู่สุคติถ้ากรรมชั่วมิได้พาไปทางต่ำไม่ได้เลือกชาติชั้นวันนะถ้าใครทำกรรมดีกรรมชั่วเสมอภาคกันในจุดนั้นเหมือนกับเราจับไฟเราเป็นดูกนายกดูกรัฐมนตรีจับไฟไม่ร้อนไม่ใช่ดูกชาวในดูกชาวนาดูกใครก็ตามจับไฟร้อนเสมอกันเสมอภาคกันอันนี้ก็เหมือนกันกรรมชัว่วหรือกรรมดี เสมอภาคกันเหมือนกันเหมือนกับความตายความตายเสมอภาคไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะถึงคราวแล้วก็เสมอภาคกันไม่มีใครยิ่งหยอนกวัวกันแต่การที่จะยิ่งยยองกวัวกันก็คือความรู้ความฉลาดคือบาปบุญนั่นแนหะถ้าใครทําบุญบุญก็จะสนองถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็ฉนองเหมือนกับในชีวิตนี้ถ้าว่าใครขยันในการเรียนในการหาทรัพย์คนนั้นก็ได้เงินก็มีความรู้ ถ้าใครขี้เกียจขี้เกียจไม่หาเงินขี้เกียจในการเรียนก็ตกต่ำเป็นธรรมดามันแยกกันโดยอัตโนมัติแยกกันแยกการในการกะระทากลัมคือการกะ ร, รนะทำเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ไปดีและไปชั่วรับพร อ, อนุโมทนาให้พร